ทมาคิดว่าหลายคนเวลาเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยทมาคิดว่าอย่างหนึ่งที่ต้องตระหนักคือว่ามันอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันได้ชเช่นไปเยี่ยมแล้วปรากฏว่าเขามาข อ, อยืมเงินใช่ไหมซึ่งมันไม่มีในสคริปต์ของคนที่ไปเยี่ยมใช่ไหมฮแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไปเพื่อที่จะไปปลอบใจเขาเนี่ยบางทีเราได้สคริปต์เราคิดว่าฉันจะไปปลอบใจเขามีอจเจนด้าอยู่เนี่ยจะไปพูดธรรมะแค่วเนี่ยก็ยต้องหงายผึ่งลงมา เพราะว่าเขามาขอายืมเงินใช่ไหมดังนั้นใครที่มีคิดตรงนี้อยู่นยเนี่ยก็จะไม่สามารถจะ handle อารมณ์เขาได้นะเพราะว่าเรามีโพยของเราอยู่ซึ่งมันไม่ตรงกบบับที่ความจริงของเขาประการที่สองบางทีก็ต้องเจอ unexpect จากหมอนะซึ่งมาบอกโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวแล้วก็หมอที่บอกแบบนี้ก็กมีจริง มีพยาบาล ม, มีมีคนไข้คนหนึ่งแกก็ไปหาหมออยู่เรื่อยเลย่อันนี้เกิดที่ขึ้นที่ต่างจังหวัดก็ไปหาหมอเที่ยวไล่เที่ยวคือไปเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจบผู้แค่นี้แล้วแกอยู่ได้แค่12บสงวันแกก็ตายใช่มเพราะฉะนั้นการพูดแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งทีห่หลายคนก็บอกว่าเพียบหลายคนก็บอกว่าเจอ เจออยู่กับญาติของเขานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ซึ่งคนไข้าบางทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่คนไข้กับญาติกาลังคุยกันเนี่ยบางทีเราก็ต้องพร้อมที่จะแฮนเดิลกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันท่วนด้วยนะเราแค่ตรงรนั้นตรงนี้เรื่องของการการการอยู่กับปัจจุบันหรือว่าการที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ในปัจจุบันธันวานนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะอตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องของอปฏิกิริยาของของคนไข้เนี่ยตมาคิดว่ า, าที่เราทำมาเมื่อกี้นี่มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามีปฏิกิริยาหลายแบบ น, นะซึ่งตมาคิดว่ า, าบางทีปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ย ของคนไข้เนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่ที่เรื่องเงินก็ได้อย่างกรณีของอุ๋มเนี่ยซึ่งคือที่ที่คุณยิงบอกว่าโวคิดพูดแต่ทามแต่เรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเองินเนี่ยบางทีมันอาจจะมากกว่านั้นตรงที่ว่าเงินเนี่ยมันหมายถึงการทําให้ธุรกิจหรือโรงงานเขาอยู่ได้หรืออยู่รอดไอ้บางทีความสําคัญหรือคุณค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่โรงงานก็ได้คือเขาอาจจะทั้งชีวิตเนี่ยเขาทํามาเขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยจนระทั้งได้โรงงานมันคือมัน คือเขาไม่ชีวิตเขาเเขาไม่ต้องการเห็นโรงงานลมพรับอันนั้นแสดงว่าชีวิตเขาเฟลใช่ไหมสักเซหรือ Failure ยงเขาเนี่ยมันผูดติดกับโรงงานเพราะนั้นเงินถึงสำคัญใช่ไหมคราวนี้เนี่ยอันนี้คืออุ ป, อประทานนะซึ่งเราต้องจับให้ได้นะแน่นอนเงินสำคัญแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นแค่แค่ตัวรองนะซึ่งก็จะไปโยนกับคุณคุณคุณหน่อยตรงที่ว่าไอ้ดีนายเอาเนี่ยดีนเอาเพราะอะไร แต่ตมาคิดว่าที่ตั้งใจทำอย่างคือว่าที่ที่คิดว่าอยู่เงียบๆเนี่ยฟังให้ให้เขาได้พูดให้เขาได้ระบายเนี่ยตมาคิดว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าเมื่อเขาหยุดแล้วเนี่ยบางทีอาจต้องต้องต้องถามต่อไปว่าหรือต้องต้องต้องลองเข้าไปดูว่าไอ้ที่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ยอรับความไม่อยอกรับความตายเนี่ยเป็นไม่อยอรับความเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไร อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่ากลัวตายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นแบบเพราะว่าเขาไม่ต้องคารเขาลูกสวยชีวิตเขาเฟลมาเขาไม่ต้องการชีวิตเขาเฟลเพราะนี่ยคือสิ่งอโรงงานนี่คือทั้งหมดของเขาของชีวิตเขาซึ่งเขาอยากจะถ่ายทอดให้ลูกเนี่ยได้รับตรงนี้ด้วยหรือนึกๆเขาจะไม่เชื่อมั่นลูกนะเขาจะมีเขาจะมีปัญหาความความปัญหาความสมัครกับลูกซึ่งเขาคิดว่าลูกนี่ไม่ยังไงก็ไม่สามารถจะรับทอดโรงงานนี้ได้ซึ่งก็ทําให้เขาแย่ เขาถึงถึงพยายามที่ปฏิเสธอันนี้เราไม่ทราบนะแต่มาต่มาคิดว่าลองอาการอาการแบบ historical เนี่ยมันคงต้องมีอะไรมากกว่าความกลัวตายนะซึ่งเราก็ต้องต้อง explore ซึ่งซึ่งตรงนี้จะทำยังไงคะจะใช้คำพูดแบบไหนหรือเราจะมีวิธีพูดยังไงที่เราจะสามารถเจาะลงไปถึ ง, งความต้องการลึกๆเข้าได้ก็อาจจะอาจจะถามอย่างที่คุณได้บอกว่ามีอะไรที่ต้องมีอะไรที่ยังวิตกกังวลอยู่ไหม หรือคิดว่าทําไมาถ้าลองให้ลูกเนี่ยเข า, เาคือเราก็จะบอกว่าเนี่ยลูกเขาก็มีความสามารถนะถ้ามีเพื่อนมามาดูแลแล้วก็ให้ให้ให้ลูกรับต่อเนี่ยเราคิดว่ายัางไงคือบางทีเราลองเจาะเรื่องลูกหน่อยเขามีปัญหาความสมัครกับลูกไหมเขาอาจจะไม่ใช่แค่ความกังวลความห่วงลูกแต่จะมีความไม่เชื่อมั่นลูกทําไมถึงไม่เชื่อมั่นลูกใช่ไหมหรือว่าเขามีความรู้สึกผูกติดอะไรกับบางอย่างหรือเปล่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยแก แกบวชวายวีนหมอตั้งแต่มาหาหมอแล้ววนมาลอหมอตั้งยี่สมบนาทีแล้วไม่มีใครเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเลยตั้งแต่แรกฉักแรกก็โวยแล้เสร็จแกเป็นแกเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็หมอตรวจพบเชื้อเชื้อก็มาก็มาหาหมอนะวีนตั้งแต่นาทีแรกที่เจอหมอแล้วก็พอพูดถึงโรคแกก็จะบอกแกจะบอกว่าทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้จะเอาจะเอาแกเป็นมะเร็งแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องเรื่องคเโม คราวนี้จะใช้ยานวดก็ไม่ได้ใช้ยานี้แกก็โบนอยู่นั่นแหละนะนะคือแกวีนตลอดนะหมอแกก็เจ๋งนะหมอก็เออหมอก็ก็ก็นั่งฟังนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่แทรกนะให้แกพูดพูดไปเสร็จแล้วก็หมอก็บอกว่าเนี่ยอยากจะตรวจอยากจะรู้จักโลกอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นเพราะว่าการตรวจโลกเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าใจคนนะแต่ละคนแต่ละคนก็ถามว่าทํางานอะไรอ่าก็ ตอนนี้ตอนนี้หลีทายแล้วนะรู้สึกชวิตเป็นยังไงการทํางานเป็นยังไงโอ้ยฉันทํางานหลายอย่างนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันฉันรู้สึกว่าทํางานหลายอย่างก็จริงแต่มันรวมมันไม่สำเร็จสักอย่างเลยชีวิตฉันชีวิตฉันเฟลอ่ะนะแก่อายห้าสิกว่าชีวิตฉันเฟลอ่ะน่าฉันทำงานต้งหลายอย่างเฟลอย่างไงอ่ะฉันก็ไม่มีครอบครัวฉันไม่มีสามีฉันไม่มีลูกฉันแล้วมาเจอไอ้โลกนี้อีกคือเนี่ยคือ ความรู้สึกว่าที่เขาวีนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะตัวโรคอย่างเดียวแต่เพราะลึกๆเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเฟลใช่ไหมฮะมันก็เลยแต่ว่าเขารู้สึกดีขึ้นเมื่อมีหมอเป็นเพื่อนหมอหมอเขาเขาบอกเนี่ยอ่ามันต้องไม่ใช่แค่รัากษากา ย, ยแต่ก็ต้อ ง, ต, องต้องแคร์จิตใจด้วยแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเมื่อหมอฟังแล้วหมอใส่ใจเรื่องจิตใจเขาคืออาตมาคิดว่าเนี่ยเปิดเกลี้ยงคนที่มันเรียกว่าเปิดเกยงคนที่อาจจะ ปฏิเสธหรืออะไรที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยเนี่ยบางทีมันจะมีอะไรที่ที่ซ่อนอยู่นะซึ่งเราไม่รู้นะแต่ว่าเราต้อง explore แต่ความ explore เราจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราไม่มีโอยลวงหน้า mm hmm. เราเราใจาเราเปิดนะใจเราเปิดนะเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะจะฟังเขาอย่าตั้งใจก็มีมีคนนึงก็พูดไว้น่าสนใจว่า เราต้องฝึกที่จะน้อมใจอยู่ในความไม่รู้นะไม่รู้เลยหมายถึงก่อนที่ไปเยี่ยมนะคุณต้องน้อมใจอยู่ในความไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรไม่รู้ว่าเขามีปมอะไรหรือเปล่าไม่รู้แม้แต่ว่าจะช่วยเขายังไงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อคุณน้อมใจอยู่ในความไม่รู้เนี่ยคุณก็จะถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้งไงฮฮะต้องสังเก lóg? ตเกใช่ไหมฮะสังเกตต้องฟังต้องถาม ดูด้วยดูสายตาเขาฟังน้ําเสียงแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่สังเกตตรงนี้ไงใช่ไหมเออเพราเราถ้าเรานอนใจอยู่ในความไม่รู้เนี่ยเราก็สัญชตาตญาณของเราเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยต้องสังเกตต้องดูใส่ใจแล้วมันก็จะออกมาใช่ไหมฮะเราจใจเราจใจเราจะอยู่กับเขาจริงๆเพราะเราไม่รู้เไยแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยหรือเราวางหรือเราเร า, เรามีอเจนได้อยู่แล้วเนี่ยใจเราก็จะคิดว่าเอ๊ะ จะตะล่อมให้เข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงจะตะล่อมยังไงจะพูดยังไงเราอยู่กับความคิดแล้วเราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมฮะแล้วคุณไข่สิ่งที่เขาต้องการคือคนที่มาอยู่กับเขาใจอยู่กับเขานะ่แปลว่าหลักการเดียวที่เราเรฝูดกันเมื่อคืนอาจารย์พี่ว่าฟังแบบที่เข้าถึงเขามไม่ใช่เอาเจนด้าเราเนี่ยมาใส่เข้าก่อนอแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคนคือคนคนที่รู้สึกว่าไปแบบ แบบว่าไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใหม่ๆเนี่ยคงต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างให้พอให้มั่นใจใช่ไหมฮะหลบทันเอออย่างน้อยต้องมีมีมีอะไรอยู่เม่อว่าจะทําอะไรต่อนี่ฮะว่าจะทําอะไรต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างอันนี้โอเคแต่ว่าเ อ, อถ้าเรารู้สึกว่าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราเรามั่นใจแล้วเนี่ยถ้าเราู้สึกว่าเราเราอยากจะช่วยจริงๆบางทีต้องไปแบบแบบนี้เลยคือเปิดใจแบบไม่รู้จริงๆ สิที่จะเจอบ่อยในกรณีอย่างกรณีคู่พี่อุ่นกับภระสีนี่คือว่าพอพอ explore เจอแล้วว่าผมเรื่องเงินเนี่ยเราเป็นคนไปไปเยี่ยมเนี่ยบางครั้งเราจะสึก อ, อาจว่าบางทีสสรเรา support เรื่องเงินไม่ได้หรือ support บางอย่างไม่ได้เนี่ยแต่เรารู้ละเนี่ยอาจารย์ตรงนี้มันจะเป็นความลำบากใจผู้เข้าไปเยี่ยมเนี่ยหลักการเลยที่ทําให้มันไปได้ก็เสริมความมั่นใจคืออย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่อง เรื่องคือเมื่อวานนี้เนี่ยคนคนบางคนเนี่ยเขาก็ก็ถามว่าฉันคุณทําอย่างนี้ดีไหมฉันคุณทําอย่างนี้ดีไหมเนี่ยคนที่เวลาคุณแค่เขาถามอย่างนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เขาไม่มั่นใจสิ่งที่เขาต้องการจากเราคือความมั่นใจเขารู้อยู่แล้วนะแต่เขาไม่มั่นใจเราก็เพียงแต่ว่าเออเสริมความมั่นใจของเขานะในกรณีแบบนี้ก็ในกรณีแบบนี้ก็เหมือนกัน บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่มั่นใจตัวลูกเขาา จ, จะไม่มั่นใจหลายอย่างว่าเขาจะผ่านเหตุการณ์ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดได้เขาคลายความมั่นใจให้้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องยืมเงินก็ได้ mm hmm. เหมือนกับที่ยกตัวอย่างเรื่องแม่ที่ที่เป็นห่วงลูกแล้วก็ไม่แล้วก็หมอให้บอกให้หมอเนี่ยทําทุกอย่างเพือ่อให้ตัวไม่ตายเนี่ยเพราะเป็นห่วงลูกสองคนสิ่ที่พยาบาลทําก็คือเว a s s u r e คือเสริมความมั่นใจเขาว่าไอ้ลูกคุณเนี่ย ยังไงเนี่ยลูกคุณไปรอดนะแล้วคุณเองเนี่ยทำความดีมาตลอดคุณก็จะจะผ่านเหตุการณ์นี้ได้บางทีอาจจะบางทีเราช่วยเขาให้เขาเห็นศักยภาพเขาเองด้วยการเวทชัวในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยนี่อ่าโอเคเริ่มมั่นใจรูปแต่ก็ยังยืนยันว่าจะต้องยืมตังเนี่ยในขณะที่ผุ่งไปเยี่ยมเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะจะช่วยได้หรือไง เราจะพูดยัไงให้เขาสบายใจขึ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นการลบทับผู้ปเยี่ยก็คือก็ต้องสายได้ว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขากลัวเขาจะเฟล l ไหมเราก็ต้องให้คาให้เขาสู้ว่าเขาไม่เ a i นะชีวิตเขาเขไม่เฟล l ใช่ไหมชีวิตคุณคุณคุณเลี้ยงลูกมาตลอดคุณเลี้ยงลูกมาดีนะแล้วคุณทํำกิจการนะกิจการคุณเจริญมั่นคงนะแล้ว จริงๆแล้วชื่ิคนเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้อยู่ที่เอาความสุขไปผูกติดไว้กับกิจการอย่างเดียวนะถ้าเราไปถึงขั้นนั้นก็ได้ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าทำให้เขาสึกว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเขาจะไม่ตายด้วยความความล้มเหลวหรือเป็นคนล้มเหลวอ่อก็คือ ไม่แน่คือไม่ทราบนะว่าการที่หมอเนี่ยเข้าไปบอกเข่าวร้ายแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีผลต่อคนไข้ยอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้เขาเกิดความกลัวเกิดความวิตกมากขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะฟังนะว่า mm hmm. เพื่อนเนี่ยแฮนเดิล mm hmm. กับอารมณ์ที่ ท, ที่ที่สุดลงจากการบอกเข่าร้ายของหมยอยังไงเพราะที่ฟังดูส่วนใหญ่ก็ยัง mm hmm. ก็ยัง ก็ยังอยู่กับเรื่องธุรกิจใช่ไหมยังอยู่เรื่องธุรกิจดูเหมือนว่าการบอกข่าวร้ายเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์ของคนไข้ไม่มากเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนเท่าที่ดูเพื่อนเนี่ยทเท่าที่เพื่อน หลายเท่าที่เล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ชัดว่าเขาแฮนเดอร์กับอารมณ์ของคนไข้ยังไงเมื่อได้ฟังข่าวร้ายเพราะว่าก็ยังคุยเรื่องเงินต่อใช่ไหมแต่ิงโจทย์จริงๆต้องตามแบบนั้นก็คือให้มันเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันคือพอหมอพูดเนี่ยเชื่อตามหมอเลยว่าเขาเขาพบอ่าไอชิ้นเนื้อนี้แล้วก็ มีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเป็ น, นอะรคราวนี้สำหรับการเป็นเพื่อนตรงนี้นะะคือเขาก็เขาก็ตกอบตกใจแต่เขาก็โยงไปเอีกนะฮะว่าถ้าเขาอยู่โรงพยาบาลนานอะไรเงี้ยเขาเขาจะใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นในฐานะเพื่อนเนี่ยหนึ่งตัวเองมีความนี่นี่คือความสงสัยว่าว่าเราจะทำไงต่อเนี่ยก็คือว่าเราไม่อยากจะไปรียชัวเขาว่าเขาไม่เป็นไร เพราะว่าเพราะว่าเขาคงจะเป็นไรเพราะฉะนั้นก็เลยอบอกว่าเอาชนาไม่เดี๋ยวก็เราก็ทําตามหมอว่าอะไราะว่าไปคนนี้ในในเรื่องของลูกเนี่ยก็ ก, ก็ก็ทราบเหมือนกันว่านี่เป็นป ร, ประเด็นปัญหานะฮะทีนี้ปัญหาของผู้เป็นเพื่อนเนี่ยคืออะไรคือตัวเองเนี่ยก็อิจฉาไปเลยว่าเออเรารู้จักเด็กดีนะจริงๆเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กอายุ20สมัยเนื้อมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันเก่งะนะคะเพื่อนนั้นคิดว่าไอ้ประเด็นเนี่ยเขาเขาคงโอเคนะฮะอันนี้อันนี้ได้พูดไปอันนี้อันเนี้ยมันตั้งคําถามเหมือนกันว่าแล้วถ้าบังเอิญลูกเขามันไม่ดีล่ะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะชัวร์อะไรที่มันไม่ถูกตจริงก็เลยถามว่าเอ๊จดเนี่ยมันยังหลวมอยู่นะนะฮ ะ, ะ, ฮะเขาก็คิดไปไเรื่องลูกใช่ไหมคะ ควรเรียกชัวเขาในกรณีที่โรคมันเป็นจริงเหรอคะถ้าจะจะจะสอนเราอย่างไรเราจะได้ทำได้ถูกนะคะืคออดตมาก็ไม่มีคำตอบนะแต่ว่าแต่ว่าคืออยากอยากจะให้เราได้ฝึกว่าในขณะที่เราเราคุยกับเขาเรื่องเงินเนี่ยแล้วเกิดว่ามันมีประเด็นใหม่เข้ามาเนี่ยกระทันหันเนี่ยเราจะเราจะยัง เคลื่อนไปกับเหตุการณ์ที่แปลเปลี่ยนไปหรือว่าเราจะยังอยู่กับประเด็นเดิมๆที่คุยกันรู้สึกจะมาหลังเรื่องโรคนะฮะเพราะว่าพอเข้ารู้เรื่องปัญหาคือเขาพูดแต่พอเรื่องโรคมาพอหมอมาปั๊บเนี่ยทีเนี้ยเขากลับไปกังวลเรื่องเงินยิ่งขึ้นไปอีกอืเพราะว่าการการผ่าตัดมันจะใช้เวลานานอ่าแล้วก็อาจจะทําให้อาจจะหนักยิ่งกว่าโรคโรคหัวใจใช่ไหมอาจจะถึงตายเลยก็ได้ตรงนี้ก็ประเด็นเรื่องเงินค่ะ มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่หเรื่องเงินใช่ซึ่งมันก็ทําให้ต้องคิดต่อไปว่าทําไมก็ยัง stake เรื่องเองินอยู่ใช่ไหมฮะเงินมันสาคัญยังไงในเมื่อมันมีอะไรมากกว่นนานั้นหรือเปล่าที่เพียงแค่ว่าให้โรงงานอยู่ได้ให้มีให้บ้านอยู่ได้บัดเออของเราไม่ได้พูดเรื่องบ้านเลยก <ck le> ็เลยไม่ทราบว่ามีประเด็นนั้นอยู่ด้วยอนุญาตนิดหนึ่งพอดีคุยกับคุณหมอประเวศคุณหมอประเวศบอกตอนนี้มีเรื่องหมอนะฮะ อันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆไม่เกี่ยวกับเคสหมอประเวศบอกว่าที่อเมริกามีการทำสารวจคนเนี่ยตายเพราะเป็นโรคไปโรงพยาบาลก็คือไปถึงหมอก็จะบอกตึงๆแล้วก็ตาย <c oughs> แล้วก็มีกรณีที่ที่สี่ราชแต่ว่าจาโรคไม่ได้แต่โรคอะไรที่ง่ายๆเนี่ยหมอ ก, ก็บอกคนไข้แล้วก็ไปตรวจคนอื่นคนไข้ไม่รู้จำไม่ได้พยายามนึกมากว่าโรคอะไรแต่โรคง่ายๆซึ่งไม่มีทางตาย ปรกฏว่คนคไข้นี่คิดมากแล้วก็กังวลสุดท้ายคนไข้าตายโดยไม่ควรจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลบอกที่อเมริกานี่เยอะหมายถึงอันดับหนึ่งนี่คือเป็นโรคไปโรงพยาบาลอาจจะช็อกพอบิลด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> บิลดแฟงอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหมอประเวศบอกพอกวันนั้นคุยกันเรื่องการเรื่องเพราะว่าไปคุยที่มูลนิธิสาธารณสุขชุมชน แล้วคุณหมอก็คือเราพยายามคาคําว่าสุขภาวะคือทุกอย่างใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเรื่องร่างกายอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยคุยยาวมาถึงเรื่องเนี้ยเรื่องว่าคนตายเพราะไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ ห, น, หนึ่งนั่นแล้วนั้นที่สิราชคนไข้คน ai, คนึงรักษายังไงก็ไม่หายแล้วเหมือนกันที่ทีท่านอาจารย์ว่าก็คือว่าหมอปกติจะไม่คุยกับคนในฐานะคนมาถึงก็รักษาโรคไม่สนใจแล้วหมอประเวศเลยไปถามว่ายังไงอะ่ะ คุยไปคุยมารู้ว่าคนไข้เนี่ยอยากกลับบ้านหมอประเวศก็เลยเซ็นให้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเขก็หายที่เขาป่วยอยู่เพราะก็ต้องอยู่โรงพานก็ เ, เป็นกังวลเรื่องที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีแต่ว่าหมอไม่มีเวลาคุยคนไข้ในฐานะคนค่ะคือเมื่อกี้ประเด็นที่พระสีถามพระอาจารย์เนี่ยทาให้นึกถึง ที่เขาพูดถึงทฤษฎีภูเขานั้นแข็งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายชั้นไอ้ที่เราเห็นภูเขาไม่แข็งเนี่ยฐานมันกว้างใช่ไหมคะแต่ที่มันโผล่มาคือส่วนยอดเฉยๆนั้นไ อ, ไอ้อาการแสดงแบบคุณหญิงหน่อยหรือว่าอาการที่เขาพูดถึงเรื่องเองินเรื่องอะไรกับดีเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ข้างบ น, นะคะแล้วพระอาจารย์อาจจะหมายถึงว่าเอมันเป็นไปได้ไหมที่มันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ข้างล่างทั้งจะเป็นเรื่องความต้องการลึกๆของเขาที่ที่เราเราจะเข้าใจม่าอย่างไรตรงนี้ไม่ทราบใช้เรื่อไม่ คือคนไข้ก็มีหลายแบบซึ่งอาตมาคิดว่าที่ทำเมื่อกี้เนี่ยก็ดีเพราะมันมีความหลากหลายใช่ไ <c oughs> ก็ได้เห็นได้เห็นปฏิกิริยาต่างๆคนไข้แต่กอ็อย่างที่อย่างที่อาตมาได้ยกหลายกรณีเนี่ยคือปัญหามั น, ม, น, ม, กก น, น, น ม, มันมากกว่าสิ่งที่เราเห็นบนพื้นผิวใช่มมันมากกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยวาจาบางทีเขาไม่รู้ด้วยว่า ไม่มีปัญหาที่เลือกไปกว่า น, นั้นเช่นถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยเอาคนที่เขาเอาชีวิตของเขาเนี่ยไปผูกติดถ้าคนที่คิดว่าชีวิตเขาเนี่ยเฟ ล, ลมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะเขาเขจะจะรู้สึกว่าไอ้การเป็นโลกของเขาเนี่ยมันก็คือความอายุปิธรรมที่ซ้ำที่ตอกย้ำซ้ำซ้ำความเจ็บปวดเขาอยู่แล้วนะซึ่งก็ทําให้เขาโกรธกลายเกลียวต่อโลกเมื่อเขากลายเกลียวต่อโลกเขาจะกลายเกลียวกับหมอเขากลา ย, กยกเากลยกียวกับพยาบาลใช่ไหม เพราะเขาสึกว่าโลกนี่มันไม่แฟร์เลยมันเป็นมากกว่าโลกแล้วทีนี้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราไปคุยกับเขาเฉพาะเรื่องโลกเนี่ยนะก็อาจจะไม่อาจจะไม่ช่วยหรือถ้าคุยกับเขาเข้ากับเฉพาะเรื่องเงินอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้ามันถ้าเรื่องเงินเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะช่วยทําให้เขาสึกว่าเขาเข้าหายจากความแฟล์เนี่ยนะหรือบางคนก็สึว่าเงินเนี่ยสําคัญมากกับการที่เขาจะจะกับการที่ โรงงานจะอยู่ได้แล่งโรงงานนี่คือชีวิตทั้งหมดของเขาเนี่ยเขาก็ต้องทําอะไรก็ได้เพื่อเพื่อได้ให้ให้ได้เงินเพื่อให้โรงงานอยู่ต่อตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยนะเพื่อจะทําให้เขาได้เห็นปัญหาที่แท้จริงแล้วถ้าเกิดเขาพบว่าไอ้จริงๆแลนชชิตเขาเนี่ยความสําเร็จชี่ิตเขาเนี่ยเขาก็สำเร็จมาโดยตลอดหรือว่าความสำเร็จเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผูกติดกับโรงงานบางทีเองเรื่องเงินก็จะกลายเป็นอาหาน้อยลง